ก็ต้องเอาคําว่าสันทิทิโก เ, เกเห็นเองผู้าบารุเห็นเองผู้ไม่บรรลุก็เห็นเองเหมือนกันผู้ถือเอามีบาปไมีบุญ ก, ก็เห็นเอ ง, เอเองเผู้ถือเ่าไม่มีบาปไม่มีบุญก็เขาก็เห็นเองเขาเชื่อเองเขาในรัทตินั่นผู้เขาไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเขาก็เห็นเองเขาเป็นสันติทิโกเหมือนกันผู้ที่รักขโมยเขาก็เห็นเขา เขาจะปฏิเสธว่าเขาไม่รักกะเพียงไหนก็ตามแต่ เ, เขาก็รู้จักเขาอยู่ถึงมาสวดาบานาันสักราคามีราคามีอร า, า, รานก็รู้จักเองทั้งนั้นไม่ใช่ถึงแบบมัวๆแต่สันทิปทิโกในทางพุทธศาสนานะถ้าจะหมายเอาทางโลกีมันก็ฟั่นเสือเกินไปแต่ก็หมายได้แต่พระบรมศาสด า, าไม่ค่อยกระหมาย หมายเอาูกัจพันโลแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปคำว่าสันติิโกผู้เห็นเองหมายเอาแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปคำว่าอาการิโกไม่นิยมการไม่นิยมเมลาก็หมายเอาแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปคำว่าเอหิปัสิโกร้เรียกให้ผู้อื่นมาดูได้ก็เรียกร้องเรียกให้ตนนั่นเองมาดูได้มาดูเถิดเราเมนจากฆาสารักสัพพุทธปินนตยกรรมแล้วเรียกเจ้าของมาดูได้ เจ้าของเรื่องใส่พรพุทธศาสนาก็เรียกเจ้าของมารู้ได้เรียกคนอื่นมาดูเป็นของนอกเลยเรียกคนมารู้จักอี่งโหยเี่มาดูมันก็ไม่รู้จักนะมันก็รู้จักแต่คนรู้จักอี่งโหยเหนนั่งเองคนที่ไม่มีตาไม่เห็นไม่เห็นหผนอะไรตาฟางจะไปเรียกมาให้มันสนเข็มมันก็สนไม่ได้นะ เวลามีน้อยเออเวลามีนิดเดียวมื่อคือ น, นี่กุโรกูหรอประมาณชโงเดียวนั่นแหละมะคือฉันอาหารกบเกียรนัเพียรเรไปเรมากเอาออกเลยเขาใส่ไว้ให้มากๆเพื่อให้เราเลือกฉันฉันเข้าไปมันก็ถูกสมมติถูกสมมติไม่อร่อยมันไม่ถูกสมมติอร่อยซะแล้ว ทุกวันเนี่ยมันถูกสมมุติแก่มันถูกสมมติเก็บมันถูกสมมุติจะตายมาแม่ถูกสมมติหนุ่มถ้าเป็นท่าทิศมันก็หกวงเย็นแล้วถ้าเป็นต้นไม้อยู่ที่ริมฝั่งริมตลิง่งมันก็สี่ห้าองศาแล้วมันเอียงลงไป เทียบกับรถเขาก็ที่งไว้าตามหลังบ้านแล้วบางคนขาดขาดเทียบสายเกวียนดุมกำกงมันก็แตกหมดแล้วมันก็ผุแล้วเทียบสายเสื้อผ้ามันก็ปากก็ชนมากแล้ว จะใส่ต้นไม้จะเอาปุ๋ยไปใส่ตะเพียงไนก็าตามใบของมันก็ไม่สามารถจะงอกมันไม่ตื่นเลยมันไม่ตื่นปุ๋ยเลยจะลดน้สักเพียงไหนก็าตามจะพรวนินักเพียงไรก็าตามจะเอาปุ๋ยใส่ักเพียงไนก็าตามมันก็เท่าเขานั่นเองมันก็ผุกก็พังลงมาไม่ค่อยจะตื่นไม่ค่อยจะงอก เรามีหน้าที่เกียมตัวตายท้า น, นทุกวันเนี่ยพูดไปพูดไมากมายเฉยๆหรอกเกียมตัวตายอยูททท่ทุกวันทุกวันทุกลมปานทีเดียวแล้วต้องหัดให้ได้ทุกลมปานปานไปว่าชีวิตเหตุ น, นั้นจึงว่าปลาตาตโ น, นเรนปลาตาที่ปลากาเป็นข้อห้ามเวลามะนันีเว้นแล้วในเว่นี้ ชี้ขาประทางสมาธิอมิเป็นชี้ขาบทหนึ่งคือบทของกายวายกายใจที่ไม่ไปล่วงละเมิดอัจฉนนยะก็เหมือนกันการเมมองภาษาพาก็เหมือนกั น, กมมก น, กนจกลงชิ้นห้าเขามาเป็นศิ้นตัวเดียวกันในคิดในใจรักษาศีลก็คือรักษาตัวเอง รักษาพุทธศาสนาก็คือรักษาตัวเองปฏิบัติพุทธศาสนาก็คือปฏิบัติตัวนั่นเองปล่อยพุทธศาสนาทิ้งก็เรียกว่าปล่อยตนทิ้งเบียดเบียนพุทธศาสนาเขาต้องกล่าว่าเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนใจของตัวเองใจของตัวจะพึงได้พึงถึงในสิ่งที่ดีอยู่แล้วมาเบียดเบียนซักก็เรียกว่ามาเมตตาตนเรียกว่าทําลายตนทําลายใจทําลายธรรมะของตนที่จะเกิดขึ้น ในคินในใจอริยธรรมที่โตนาโรอริยธรรมคือนอเลช น, ค, นคือธรรมที่ก็เสอมีชุบถิปันโนอุจุโยยะสามีเป็นต้นอยู่ที่นอเลชนนั่นเองนอเลชนทั้งหลายจงทําให้เกิดให้มีเนอ้อจงรักษาไว้เนื้อมรดกดั้งเดิมของเธอทั้งหลายมีอยู่ทุกท่านแล้วเธอทั้งหลายจงรักษาบริษัทเดิมของเธอเนอ้อเราก็ให้มรดกของเธอแล้ว เธอทั้งหลายได้รับมรดกจากเราสถาปัตย์ทุกทุกท่านโดยสมอภาคกันแล้วใครจะเอามากใครมีกําลังศรัทธามีกําลังปัญญาจะเอามากก็เพียงไหนก็ไม่หนักเนอแล้วก็ไม่หมดไปจากขั้นผื่นไม่เหมือนทับภายนอกเนอะทับภายนอกเป็นเลือกผลไรนาะสังหานีมาครับอสังหารีมาครับถ้าใครคี้โรคก็หมดจากเื่อนอันนี้ใครจะเอามากก็เพียงไหนก็ไม่หมดเนอะพระบรมสารีราม ไม่ได้นักกับใครด้วยลรวจะบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็ไม่มีใครบนร่นว่าหนวดหูและก็ไม่คัดข้องอำนานพลเรือด้วยน้ำเรยืมของเขามานามส่งเขาก็บอกเร า, เ, า, าเอามาเอามาเอามาส่งยืมเงินก็เหมือนกันไม่ส่งดอกเบี้ยเขาก็ทวงเหมือนกันอันนี้ไม่มีใครมาเก็บดอกเบี้ยด้วยน้ สบายมากแล้วถือว่าเราเป็นคนอาภัพเราเป็นคนดีเราเป็นคนมีบุญวาสนาจึงได้เกิดมาพบสบสมัยจเจริญนามสยามเมืองเรืองวิไลตรเียมกันไปครบท่วนขบวนมีเตรียมวันไปพระนิพพานาลพูพุท่านี่เก่าแล้วมันไม่ใช่คนนะก่บน้าสาโหดกวนเลยลูกปูอยากเรียนถามไม่เออ ที่มีการทํานายใายพักว่าเออคนนี้จะมีเคอมีอะไรอย่างเนี้ยอันนี้จะเป็นจริงแค่จริงไงหลังจากที่เราไปดูหมอแล้วเขาบอกแบบ น, นี้จะเป็นจริงอย่างนี้เขาพูดไหมหรือว่ามันไม่จริงนะบอกพระบรมสาสีดาเป็นโหุ่นเองพระบรมสาสีธาตุตายต่อนไม่แล้วคนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเก็บ ต, ต, ต้องตายเนอะเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร้อกคนความแก่ไปได้ เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้ความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความตายไปได้เราจะต้องมีโยกพสร้างจากของรักของขัดใจดังนั้นเรามีกรรมเป็นของห้องตัวเราทําดีจากได้ดีเราทำช่วยจากได้ช่วยอันนั้นเป็นผนอีกเก่งกว่าความนี้ไปแล้วตรงนี้ผลย่อยถูกไหมแก้ตกไหมตกนะ พวกนี้คนเยอะหรอกพวกนี้น่าใครน้ no. ําเท่านั้นตัวเท่านี้ตัวบรรดาใ้คนตกเท่านั้นหาเท่านี้ฮะอันนี้เป็นเป็นพวกเสียสร์เป็นพวกความเนอะไม่ใช่พุทธเนอในคัมภีรของพระพุทธศาสนาไม่มีเนอะพระบรมศาสดา ไปกรรมใบประดูลายมาอยู่ในพระฮัตขวาทุกทั้งหลายใบ ป, ประดูลายใบ ป, ประดูลายแห้งนี่เรากำมาใ น, รานรรพระหัตขวาเนี่ยกัมพระฮัตขวาหมายความว่าเขามรับสงไม่ได้กรำในความประมาตกำรรพาดขวากำแม่ประชูให้ ข, ของเห็นกับใบไม้ที่อยู่ในใจรูปธาต ทางใบหล่นแล้วไม่หล่นทุกๆชนิดอันไหนมันมากเอออยู่ในพระหัทขวานี่แหละมีนิดเดียวพระเจ้าข้าอยู่ในใจโลก่ามันไม่มากเาประมาณไม่ได้ฉันใดก็ดีคําสอนของเราที่เรามาสอนพวกท่านทั้งหลายซึ่งเป็นนิยานี้กระทาจะนำํำท่านทั้งหลายออกจากวัจจทุงศารมีเพียงกํามือเท่านี้แปหมื่นสีพระธรรมะันเหลือนอกนั้นเรารู้จักหมด แต่เราไม่เอามากล่าวเพาไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้พูดไม่เป็นนิยาในกทํานําสัตว์ออกดาราศาสตร์โหดศาสตร์อะไรทุกชนิดศาสนาทุกศาสนามีมากมายศาสนาได้รัฐที่คนที่ถือมีความหมายอันเดียวกันเรารู้จักหมดมันไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่เอามาพูดดไม่ใช่เราไม่รู้งงพูดอย่า แล้วแ ม, ม่เป็นประโยชน์คู่ค่าแก่ผู้พูดและผู้เอาไปปฏิบัติไม่เป็นนิยามนิคธรรมนำสัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏจักรสงสารด้านธรรมมาหาเรื่องชีวิตในทางด้านอาวิธเราก็บอกแต่พอสมควรด้านเพศสัตว์จะขังเราก็บอกแต่พอสมควรไม่ใช่เราไม่รู้พอได้ปฏิบัติเพื่อคนทุกขานั้นเราอยากจะให้พวกเธอทั้งหลายรีบด่วนปฏิบัติเพื่อคนทุกข์แม่วัฏจักสงสารเท่านั้นเองจึงบอกมาพอเป็นเครื่องสเบียตเท่านั้นจะพูดอะครับ เพราะส่เหล่านั้นได้อํานาจอำนาจอย่อางเท่านั้นเราจรึงไม่เอามาพูดมากเราเอามาพูดแต่พอพวกเธอทั้งหลายได้อาศัยปฏิบัติทั่วคนทุกคนนั้นเธ<ม>อทั้งหลายเกียมตัวดีนะ<ม>เดี๋ยวเธอทั้งหลายจะเสียใจในภายหลังเธ<ม>อทั้งหลายจะปล่อยเวลาให้ร่วงคว่ำเน้อ วันคืนล่วงไปล่วงไปก็จริงชีวาตะไคร้เขาก็เคยทั้งหลายก็ล่วงไปด้วยวันเวลาย่อมล่วงไปล่วงไปชั้นแห่งไว้ก็ละเป็นลำดับไปวันคืนของผู้มีสติเป็นวันคืนที่มีดีมากบุคคลผู้ปัญญาสาย่อมสําคัญวาราปียา ทุกคลช่วมีปัญญายิ่งย่อมสำคัญว่าลาตี้ร่วงไปเร็วนะักชีวิตอายุไขร่วงไปเร็วนะักชนะ่อยนะบริารต้องคําว่าลาทียาวเนอะอย่าสำคัญว่าชีวิตยาวเนอะอย่านอนใจในวัดตารสรงสารนะูเธอทั้งหลายนอนใจในวัดตารสรงสารเพราะถ้ากับว่าเธอทั้งหลายนอนใจในหลุมฐานเติงนั่นเองเพราะเธอทั้งหลายเคยชินมาก็เลยถือเป็นของธรรมดา แต่มันเป็นธรรมดาทุกเราอยู่ดีๆนี่เองอไม่ใช่ธรรมดาสูกเน้อจงเลือกธรรมดาให้ดีจงเลือกธรมกธรมชาติให้ดีจงเลือกสังคมนิยมให้ดีสังคมนิยมดีไปในทางดีก็คือสุปฏิปันโนอุยายะสามีเท่านั้นนอกจากนั้นเป็นสังคมที่ปีนเกลียวฉันพูดยางไงที่ต้องเที่ยวอยู่ในวัดตาสงสารนานเนิ่นชา้า ยินดีที่จะกล่าวบัดนี้ยินดีที่จะกล่าวสาวธรรมยอดเยี่ยมเตรียมปัญญาเดินมักคาทางรับตรตอนสอนตนเองเล่งเพ่งปัญญาปัจจุ ป, ปันาไม่ใช่ตนวนเวียนอยู่อูปัญจขันธ์ใจไม้มั่นยืนยันว่าตนคงไม่พ้นยาพิษงามานเผาคิดโกงเขาถือเอาเป็นเหตุ ตกในเขตปั้นน้ำให้เป็นตัวมัวมอหลายกลายเป็นอดีตขวางกีดอยู่ผู้รู้อนาคตรอบรู้ให้หมดอนัตตาธรรมกาจะไม่นำติดต่อก่อพบใจถูกรบลงถึงทำว่าไม่อยู่ห่างทางไปนิพพานถ้าเชี่ยวชาญเดินมักเขวิสีต่อติดดีไม่มีวันเวน้นใจก็เด่นเห็นธรรมไม่ตาย จะบรรยายไปหลายก็ล่นห่นาก่อนที่จะมากนั้นก็ออกจากอันเดียวหลงอันเดียวก็เที่ยวอยู่ในสงสารอยู่นานเนิ่นช้าปัญญากล้าหันหาต้นเหตุดนิเทศเอกระกิจธรรมไม่ร่วงล้ำไปหาทา ง, ทางอื่นจะไม่ตื่นในการวิหารการใดๆไม่ใช่ตัวตนจะดื้อรุนไปได้ทางไหนหายสงสัยว่าไปหรืออยู่ปัญญาสู้กูให้ความหลง ทรงภาระสะสารตัวเหตุมดนี้เทศจะกล่าวบรรยัตผู้รู้ชัดก็าหากเห็นเองคนเอือุญเพ่งว่าดีวิทั่วนั่นเป็นตัวสมบัติโลกาอันิจเจตาเพียงเท่านี้เลยไม่ซื้อมั่นไม่ซื้อมั่นสิ่งใดในโลก มันเป็นตัวศีลเป็นตัวมหาศีลมหาสมาธิมหาปัญญาจะถือมันยังไงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่ที่อัมเป็นทุกเป็นหน้าตาไม่อยู่ในกํามือของท่านผู้ใดแล้วก็ถือมันในศีลสมาธิปัญญาเพื่อพ้นทุกในวัฏสงสารเท่านั้นถือมันในขวัดปฏิบัติเท่านั้นสิ่งที่ปีเกลียวพระพุทธศาสนาไม่เอามาถือมันขอให้เข้าใจในเรื่องถือมัน่นถือมั่นใน พ, พระพุทธธรรมประสงค์ใน มักฝนนี่พานไม่เป็นปัญหาเนี่ยจะเอาต้องเอาลืมตาชนะหลับตาต้องเอาขยันชนะขี้เกียจต้องเอาความไม่นอนใจในวัดตาสงสารชนะความนอนใจในวัดตาสงสารนั่นความไม่เลื่อมใสในวัดตาสงสารเอาความเลื่อมใสชนะมัน มันทำไมถึงเดื่อใมใส่ในพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนามีเหตุมีผลลึกซึ้งหาประมาณไม่ได้เทียบทางลึกซึ้งก็ลึกซึ้งไม่มีประมาณเทียบทางแหลมคมก็แหลมคมไม่มีประมาณเทียบทางหนักก็หนักไม่มีประมาณเทียบทางเบ า, เบาก็เบาไม่มีประมาณเทียบทางกว้างขวางก็กว้างขวางไม่มีประมาณไม่มีอันใดจะมาทักเทียมถึงรพระพุทธศาสนาได้เพราะพระพุทธศาสนาอยู่ที่ใจ ตั้งไว้ที่ใจเลยรักษาง่ายเอาคิดใจเป็นหิ่งพระพุทธธรรมประสงค์มอบกายถวายชีวิตยอยู่ทุกเมื่อมอบกายถวายชีวันกระตันยู่อยู่ทุกใจถวายชีวันกระตันยูอยู่ทุกใจ ู้มีปัญญาย่อมสนใจในสิ่งที่ควรสนใจย่อมไม่สนใจในสิ่งที่ไม่ควรสนใจย่อมยินดีในสิ่งที่ควรยินดีย่อมไม่ยินดีในสิ่งที่ไม่ควรยินดีย่อมบูชาในสิ่งที่ควรบูชาย่อมไม่บูชาในสิ่งที่ควรไม่ไม่ควรบูชาย่อมโสดเป็นโสดตายกับสิ่งที่ควรโสดเป็นโสดตายย่อมไม่โสดเป็นโสดตายในสิ่งที่ตรงกันข้ามนะ หนายควอมวาพูดมีปัญญาเีลยมีกิจธนรอะไรก็ถามสักเจนี่สงสัยอะไรก็ถาม ส, ส, สักพูดซักสงสัยเรื่องภาวนาภาวนาให้ดีเนาะเราภาวนาคุณพุทโธจนน้ำตาไหเลเสี่ยหมดถึงเราออกปฏิบัติที่ได้ เออแก่ต่อดลงวนั่นเร่องีอีกแล้วก็บอกเขาหยุดที่นี่บ้าเหมือนกันเออเธอเป็นคนอัคตันยูว่าให้ตนเองเธอเป็นคนอาคตันยูเธอลืมตัวไปว่าให้เจ้าของอยู่ที่วัดสุทธาวาสออกจากข้ํพระเด่นไปแล้วก็ไปเห็นพระป่าอะไร พระปัาป่าเรไรากาบช่างก็กาบพระพุทธลูกพาะปฏิมากรที่วัดป่าสุทธวะก็ทำได้กคนคงคงเห็นนะเห็นไหมเห็นเห็นทุกคนอ่ะไปที่นี่นที่นี่วัก่ามันลบ ก, กวนะมันมันเป็นวัดเต็มภูมิเป็นวัดป่าเต็มภูมิแต่อันเข้าไปในเมืองเกือบสองกิโลยิงถึงเมือง ในระหว่างรถปูบ้านมานิพนธ์เดี๋ยวนึงเป็นบ้านเป็นเมืองไปหมดแล้เออเธอก็เป็นชาติเออเธอก็ยังรู้จักกราบไหว้พระ อ, องค์เป็นนี่เธอเป็นลิงเธอก็ยังรู้จักถวายอาหารแก่พระชาติก็ถวายหวาัวบัวแก่พระเราเนี่เป็นมนุษย์นุ่งเหลืองห่มเหลืองอ แล้วได้ทรงเครื่องของพระบรมศ า, ศาสดาแล้วก็เอาออกมาหาจินเป็นคนอักตันดูไม่ภาวนาถึงพุโทโธเลย mm. แล้ย้อนไปแค่ภาวนาถึงพุโทโธก็ไม่พอชั่วโมงเลยเดี๋ยวก็หยุดซะถ้าเธอหากว่าเห็นว่าคุณพระองคมีเธอก็ต้องภาวนาดูสิ ให้พ่ออารมณ์หายใจเข้าออกดูสิหน้าพอนาทีหน้าพอนาครับน้ำตาไหลออกปาจีวันเปียกหมดนั่นจน่ามึงไหม <c oughs> มุชอาทิถีเก่งมากเลย <c oughs> <c oughs> เราะให้ร้องู่มัดฟังฟานหัวเราะเท่เออคนทัดไทยจริต นีิสัยของเก่าไปเห็นวัดเก่าๆแก่ๆมันนึกในใจมันไปเห็นอยู่คนเดียวเวลามันอยู่คนเดียวเวลาหมู่นี้หมดวัดเก่าๆแก่ๆท่านคงจะท่องหนังสืออยู่นี่ท่านคงจะเดินนมกลมอยู่นี่ท่านคงจะนั่งภาวนาอยู่นี่มันช่าเนียบไปมัน มันมีต้นไม้ร่มครึ้ ม, ม JD, ก็มีเกดีเก่าๆอยู่นี่แต่อายุห้าปีนัำตาไหลยอย่างเง้ยแล้วผมอ่านอกว่านิสัยมันมาบางแล้วนะพูด่ะครับ ที่ก็บอกว่าเวลาเราทําบุญร่วมกันเนี่ยแล้วชาติหน้าเราจะได้ไปพบกันเป็นเป็นเป็นจริงอย่างนั้นก็เป็นจริงกันทุกวันเป็นจริงส่วนกันทาบาปก็ไปพบกันอีกเหมือนกันจริงจริงเป็นจริงอันนี้พระโมกคัลาสาเรวุฒิแนางอุบลวันนานาบตาจาราพวกพุทธบริษัทของพระสมเด็จพระบรมศาสดาจําพวกที่เข้าสู่พระนครทอดพระองค์ท่าน เคยได้เกิดมาครับองค์ท่านทุกชาติทุกภพเคยได้สร้างบารมีมาทุกชาติทุกภพทั้งเป็นพระเวทแสนดอนนางกันหาเอ่อนางอุบลวนนณาก็เป็นนางกันหาทระราหุนก็เป็นเด็กชายชาลีนางพุทธดีก็เป็นนางมายา า น, าาาาานางมัตตีก็เป็นนางพิพานเองพูดเรื่องนี้พูดเรื่องพุทธภวั์ที่พระองค์จะเข้าสู่พระนิพพาน แม้เถ้ากิดทางใจเหมือนกันท่านสั่งๆเสีเสียอะไะไรจะดีจะชั่วกนจิตเท่านกกันนอกจากกิตไม่ไหมอะไรจะดีจะชั่วในโลกอันนี้ยเพราะจิตเป็นต้นมันหยับเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกราชษณ์นษในทางดีและทางชั่วจะทําดีก็เป็นเอกลักษในทางดี จะทำชั่วก right right? right right? ็เ <derni> ป็นเอกราชในทางชั่วเป็นแม่นสองทางด้วยเป็นแม่นดวงใจด้วยเป็นแม่นดวงธรรมด้วยจะไปทางดีทางชั่วก็เป็นหน้าที่ของกิจเป็นหน้าที่ของใจเป็นหน้าที่ของวิญญาณเป็นที่เป็นหน้าที่ของมโนภาพมโนภาพก็ว่ามโนธรรมก็ว่ามโนธาตุก็ว่ามโนขันก็ว่า แมโนทำเพราะว่าจิตก็ว่าใจเพราะว่าจิตเป็นคําของบาลีใจเป็นคําที่แปลออกมาเป็นไทยมโนก็เป็นคําของบาลีวิญญาณก็เป็นคําของบาลีวิญญาณก็แปลว่าใจจิตก็แปลว่าใจผู้รู้ก็แปลว่าใจผู้เห็นก็แปลว่ายใจ ตามันเห็นหรือไม่เห็นมันก็ไม่รับปฏิเสธหูก็เหมือนกันมันมันมีหน้าที่ส่งมันก็ส่งไปพัสดมีหน้าที่โทรเลขมันก็โทรเลขไปผู้รับรู้รับเห็นจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับใจเพาใจเป็นผู้รับโทรเลขบวนเมืองตาฮอเป็นเมืองขึ้นใจเมืองหูเมืองจมูกเมืองเลี้ยเมืองกาย เขาเป็นเมืองขึ้นของไก่จะดีหรือชั่วมันขึ้นอยู่กับใจเขามีหน้าที่ส่งจดหมายเขาก็ส่งจดหมายถึงไก่ส่วนใจรับจดหมายแล้วจะไปทางนี้หรือทางชั่วก็าเรียกแต่ไก่เป็นกรรมสิทธิ์ของไกงน่น่ะนอกจากไก่ก็มีไม่มีอะไรจะทำดีให้ไใจ นอกจากใจก็กกม่มีอันใดจะทําชั่วให้ใจใจเท่านั้นเองทําดีให้ตนเองใจเท่านั้นเองทําชั่วให้ตนเองนั่นสิ่งอื่นไมีดาดินทมเถนะเพราะใจเป็นผู้มันหยัดขึ้นใจเป็นต้นมันหยัดเขาส่วนตาหูจมูกเลีกายใจมาบัดมันมามันหยัดเขาทีหลังใจเป็นชื่อบนเป็น ผู้ชื่อบัญญัติเขาเท่งนั้นล่ะบัญญัติอดีตบัญญัติอนาคตบัญญัติปัจจุบันบัญญัติผงขนและฟันทังเนื้อเอ่งกระดูกบัญญัติดินบัญญัติน้าบัญญัติไฟบัญญัติลมก็มโนภาพเป็นผู้บัญญัติถ้าบัญญัติขึ้นแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราเราเป็นผู้เขียนขึ้นเราต้องการลบอันไหนเราก็ต้องลบทีนี้เราไม่ต้องการลบเราก็ต้องรู้จากเราทีนี้ ผู้บัญญัติเลยสมมุติขึ้นก่อจิตตาสังขารผู้จะไปหลงสังขารก็จิตตาสังขารผู้จะไม่หลงจิตตาสังขารก็คือจิตนั่นเองนั่นผู้จะข้ามทะเลหลงก็คือจิตพระเจ้เป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นเป็นผู้เขียนขึ้นเป็นผู้วางแผน ส่วนผลรับจพะพิเสษให้ตาหูจมูกลิ้นก็ไม่ได้เพราะเขาไม่รู้อีหนูอีนี่เพราะคนตายแล้วเขาไม่รู้อะไรเพราะวิญญาณไม่อยู่ในที่นั้นทํำดีก็จิตเป็นผู้รับชั่วก็จิตเป็นผู้รับกายวาจะอุปมาเหมือนรถจิตอุปมาเหมือนผู้ขับ นายได้รายเสียก็อยู่กับผู้ขับนี่รถมันไม่รู้ใจหนูไอ้นี่อะไรนี่ถ้าท่าดินน้ำไฟลมไม่สมดุลกันจะเอาขอดไปตีตูมตูม ต, ม ต, มตมูมันก็มาไปร่างกายเขาเมืนกัน <c oughs> มันก็มาไปไยบอกลุกมันก็ลุกไม่ไหเนี่ย <c oughs> พยาคิตลาดลุกเถิดลุกเถิดลุกเถิดมันก็ลุกไม่ไหเนี่ย <c oughs> ที่เราภาวนาะหัดไว้เนี่ย ทำไหวในเวลาชวนแจนั่นเองถ้าไม่มีคุณหมอถ้าไม่มียาถ้าไม่มีโรคก็ไม่มีคุณหมอส้ถ้าไม่มีคุณหมอคนก็อยู่ไม่ไหวเดี๋ยวก็ตายกันที่งวดอยู่ไม่ตลอดอยู่ไม่ไปไปไม่ไหวล่ะถ้าคล้ายๆกขาว่าไม่มีข้าวไม่น้ำกินแล้วก็ไม่มียาปัจจัยสี่กีวามิทธับาเชนาเสนละนิเพศัตเป็นของอาศัยปฏิบัติธรรมะเพื่อคนทุกข์แมวาตาสงสาร มีความหมายเท่านั้นไม่ใช่ว่ า, าจะมาอาศัยจนเป็นเปรตเฝ้าอยู่มันก็ไม่ถูกนี่ธรรมะมันเป็นอย่างนั้นธรรมะพระพุทธศาสนาหมายอย่างนั้นจะเล่นก็ไม่ได้จะประมาทก็ไม่เป็นต้องอาศัยไม่อาศัยก็อยู่ไม่ไหวจริงๆนั่นที่รหัสภาวนาไว้ที่นี่ ในชั้นในชั้นต้นถ้าเราใส่ยาไม่ถูกแล้วเพราะมันเหลือไปใส่ทีนี้เราเขาจะได้ตั้งหน้าภาวนาในชั้นลงมาจนลงเออยจนถึงบอกว่าเออมาช่วยมาช่วยพิกมาช่วยพยุงตัวให้ด้วยมาช่วย ร่างมุจลาราปัสว์ให้ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งย่างสูงช่วยอานา้มให้ดื่มด้วยช่วยเอาอาหารให้ทานด้วยนี่ไม่สำคัญเน้อตอนพูดก็พูดไม่ได้หมดกำลังแล้วทนี้พูดก็พูดไม่ได้หมดกำลังแล้วพูดไม่ออกเช่แล้ว เหลือแต่เท่านี้เลยทีนี่พึ่งตัวเองแล้วตอนนี้อืตอนนี้และตอนสําคัญอนะ่ะตอนจนมุมแล้วนี่ใครๆต้องเข้าจนมุมที่นี่หมดเลยตอนนี้ต้องเข้าจนมุมละต้องตายคาชี้คาแย่อะไรนี้่ที่บอกให้เขาเช็ดถาวาวนหนักถาวาวเบาให้สกกละกายให้ก็เช็ดได้แต่เวลาของภายนอกที่นี่ แต่ว่าผลที่สุดท่าอยู่ในท้องของเรามันก็เช็ดไม่ได้อีกเหมือนกันก็ต้องตายคาขี้คาเย้าแต่ เ, เราไม่ยอมตายคาขี้คาเย้ยวเรายอมตายคาธรรมะนะตอนนี้สําคัญอตอนนี้อยากจะพี่เกือบตายแต่พูดไม่ได้เนี่ยเหนืน่อยแล้วอืมเหนื่อยปวดสะโพกปวดสารพัดนะ จะพูดก็พูดไม่ออกเพราะเสลมัาเกียมจะมาพันแล้วเนี่ยจะมาพันคอแล้วเน่ยเพราะไฟธาตุเผาเหนียวเหลือเกินเนี่ยตีขึ้นมานี่ก็มาจะมาพันเนี่ยแต่เราไม่ใช่คุณหมอเราคาคะแนนเฉยๆถูกไหมคะแนนเฉยๆเนี่ยไฟธาตุเผาเสลก็เหนียวเนี่ยขึ้นมานี่ได้ยินแต่บิดาพูดให้ฟังเออลูกเอ๋ย ด, ดูแต่หูดูแต่ตาพ่อเนอวันนี้ละพรุ่งนี้ละพ่อจะจะสิ้นลมปานแต่ว่าพูดเป็นภาษาภาเอีสานแต่เราเอามาพูดเพื่อให้พวกท่านฟังง่ายเฉยถ้าเราพูดภาษาภาอีสานพวกท่านก็ฟังไม่ออกนั่พรุ่งนี้ละพ่อจะไปพระธรรมดาคนแก่ไฟธาตุเผาขี้เศดก็ขึ้นมาไม่มีกำลังจะขากมัน็มาพันนี่ก็ปิด ลมหายใจเขาออกไม่ได้ท่านพูดอย่างนั้นเยวก็ตายท่านพูดอย่างนับนเวลาตอนจะสว่างนี้เอ ง, เองพ่อจะตายลูกๆอย่ามารบกวนให้กินน้ําเนอะอะไรพ่อก็สั่งแล้วนอนตะแคงข้างขวานอนหายใจเขาออกเป็นบทเป็นบทเป็นบทเลยพอถึงเวลาที่คุณพ่อนะบอกไว้ไม่พิษเลยไปเลย คนเราจะเก่งสักเพลงไหนก็เปลา ม, มันต้องมีมีอันนี้อย่างนี้ก็มีเวลาจะตายนี่จมูกหยิบเงบก็มีที่นีลกคิ้วก็มีอย่างนี้ก็มีบางทีก็อักทีน่นี่อักที่คอหอยนี่อันนี้เงียบเลยวิดาของเราเงียบเลยจนทุ่มเทียงกันว่าหมดแก้วหรือไม่หมดมันนาของมันกันมันาก็ตายขาพราณาพุทโธมิดาก็ตายขาพราณาพุทโธนะ เงียบเลยแต่เราจะตายด้วยวิธีไหไม่ทราบอ่ะบางท่านพูดเรื่องตายมันไม่เป็นมิ่งขวัญพระอานุนที่นี่พระบรมสารนาถามพระอ น, นุอนอาน เธอพิจารณาความตายวันละกี่ครั้งวันละร้อยครั้งพระเจ้าข่าเออเธอประมาทอยู่นะอ น, นุนนะพอมันทุกลมให้แกเข้าออกยิ่งดีแต่วพวกเรามาพูดถึงความตายแล้วก็ไม่อยากพูดมันโหกพวกเราทีนี้นึกถึงปู่ย่าตาทวดนึกถึงคุณขององค์ท่านที่ท่านได้ปฏิบัติเรามา ก็เกรงว่าผีจะมากินบางท่านนะอืม <c oughs> มันขี้ง่คุณของท่านมันมีมากเราต้องระลึกถึงคุณบางท่านวอกว่าห้ามไม่ถือผีห้ามไม่ห้ถือผีพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผีหรือเขามาทำไม่ใช่ผีพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกว่าผีเพราะท่านเข้าสู่พรนิพพานแล้วเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไม่ใช่ ร, ะ ล, ล ะ, ลร ะ, ชละลึกถึงผีหรื อ, อเขามาพูดที่นี่เขามาถามเหมือนกัน ไม่ใช่ผีเพราะพระพุทธเจ้ามาันในเรียกว่าผีเราะผ่านผีไปลแล้วเพราะฉ้นพระพุทธเจ้าแต็มภูมิแล้วมันมีกิเลสไม่ในจัดว่าผีถ้าใส่ชื่อหรือนามองค์ท่านว่าผีก็เรียกว่าก่าวตูเขาเรียกเขาบาปหนะัก<ม>เขาก็เลยเข้าใจทีนี้เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้น่ะไม่ให้ถือผีไม่ให้ถือผีเนี่ยพระพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผีไม่ได้ถืออันอื่นถือพระคุณของท่านวิรามนาวเขถือพระคุณของท่าน ผู้ยาตาทวรหรือท่านผู้ตายไปแล้วผู้มีคุณแก่เราแล้วลึกถึงคุณไม่ใช่แล้ลึกถึงผีมาอย่างนั้นทีนี่ก็เลยแก่ตกที่นบางท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นหวนหรือทําไมจึงเอาเทียนมาบูชาท่านทําไมจึงเอาแบบไม้บูชาท่านท่านชอบแบบไม้หรือเขาถามอย่างนั้นก็มีมกะตอบครับว่าบูชาพระคุณของท่าน จะปฏิเสธไม่ได้ถ้าได้มาโดยเป็นธรรมก็ต้องบูชาเมื่อไ้เราละแต่เรไปตะเกียบตะกายหานไม่ออกแม่มาโดยเป็นธรรมเราต้องบูชาถ้ามาอะไรได้ดอกบัวกระทาทายมาถลายเออดอกบัวอันนี้เราหะเหุนเ้นโดยอากาศได้เราจะเข้าฌานไปบูชาข้าเปลี่ยนแก้วจุลนมามนีถ้ามาอะไรเป็นสารแล้วท่านก็ยังบูชาอยู่ ที่เขาเทศที่เขาเทศ ข, ทข่มเทศ ข, ทขู่แบบว่าพระไม่ควรบูชามันเห็นหน้าเดียวเกินไปเขาให้ดอกไม่ทุกเทียนมาเราก็ต้องบูชาแต่เราไม่ไปแผแลก็ขอเขาถูกไหมนี่ <c oughs> มีศีลห้าบริบูรณ์มีศีลห้าบริบูรณ์เป็นศีลของคารวา มิราของคุณอินมีชิ้นห้าบริบูลทัม้มบนราเน้อมีมาหลายปีแล้วเนี่ยสามสิบสีบ่สิบกว่าปีแล้วเดือนหนึ่งเนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งข้ากระต่างเอาอุโบสถหลายบางที่ก็ดวนละสี่ข้างในข้าวสาปัดชีวิตมานานแล้ว ม่น้ำส้ำสุราถ้าเกี่ยวกับสุราที่จะมาทาเนี่ยไม่ยอมทาอีกเชื้อด้วยเนะี่ยทาภายนอกไม่ยอมอีกเสื้อด้วยนะแต่ว่าไม่ผิดเพราะวินัยแต่แกถือเข่งเจอไม่ทาเลยสัญญากับลูกลูกชายจะแต่งงานกูจะสัญญ า, าให้มึงถ้ามึงเอาเล่าขึ้นมาในบนรลูนกู กูจะคว้างที่ปลาหน้าแขกเนอะถ้าซูยอยากกินซุปไปกินอยู่ที่อื่นแต่ลูกชายแกก็ไม่ไน้วางระมัดลูกเขาไม่ดื่มโซราสักคนเก่งเหมือนกันอีวินก็ไม่เน่อ่ะ เวลามีน้อยหายใจเข้าไม่ไม่ออกก็บอกว่าตายไม่มีเวลามากเนอะถ้าอยากเห็นผีไปฆ่าคอยดูรูจมูกนั่นหายใจเข้าแล้วมาออกก็ต่อตายถ้าอยากเห็นวันเกิดพีเกิดก็ดูรูจมูก่นถ้าไม่รูจมูกหายใจเข้าออกอยู่ก็ียกว่าเกิดอยู่แล้วก็เป็นก้อนตายอยู่ในตัวนั่น ตายก็ตายที่รูจมูกนะเกิดก็เกิดที่นั่นนะนี่พูดให้ตาเห็นง่ายๆผีป่าชาเขาอยู่ที่นั่นผีป่าชานะี่ยอยู่ที่รูจหมูกนะันนี่ป่าชาอันหนึ่งอีกก็อยู่ในลาไส้นี่ในลาไส้ในลา ไ, ไส้ใหญ่อนะ่ะฟาทูภูเข็มลงไปฝังในที่นั่นละ่ะป่าชาอีกอันหนึ่งก็อยู่ภายนอกเขาหามไปเขาเอาไปเผา ท่านบอกว่าเนี่ยพราะพนามัสบอกว่าป่าโรคป่าโกดป่าหลงป่าโรคป่าโกดป่าหลงถ้ายังมีโรคโกดหลงอยู่พวกเราจะไม่มาเที day, ่ยวตายอยู ja ่น nah ี้เรียกว่าป่าโลคป่าโกดป่าหลงถ้าไม่โรคไม่โกดไม่หลงพวกเราก็เข้าสู่ปณิพานไม่ได้มาอยู่ในป่าช้าเอกถ้ามีโรคโกดหลงเรียกว่าช้าท่านพูดอย่างนั้นเรกวป่าช้าป่าช้าก็คือป่าโกดป่าเกิดป่าแก่ป่าเก็บป่าตาย ปลาโรคปลากรธปาลงใครเป็นเจ้าโลกทุกวันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าอเมริกาเขามาเนี่ยเป็นรัเสเซียเขามาเนี่ยเป็นจีนเขามาเนี่ยเป็นอังกฤษเขามาเนี่ยเป็นทุกกรั้ตายเป็นเจ้าโลกอะนั่นที่พว <c oughs> คุณจะทําอะไรก็ทําซะพูดไม่จบเป็น ไม่จับเป็นก็บวอหูนะถูกไหมของของอะไรมีของกเทียมเปิดเปิดีมีอาหารไหมมีปลาโบน้ำปลาปลาหอมนปลาแล้วกระเียนไม่ได้ขารข้าวารได้ใช่ไข้าวารได้ขาสยกาารข้าวสาร เออกะรอะไรเนี่ยเพยหอมอะไรเอออกเออเนี่ยีีเนี่ยเออั้นได้ได้เกลือใช่หมันเกลือใช่ไหมเกลือเกลือได้ใส่าไปเลยขันมน้ขันมาละนิดนะฮะอันั้นน้ำตาลเลยเอาน้ำตาลไม่ต้องออกใส่ไม่กี่็วันเนาะันีกันน้อนันนี่เป็นอะไรนียาท่างลายถ้า่าไม่ถูกก็ถูกกบโลกหมดไ้แล้เออ ยาที่เกี่ยวกับยาผูกๆก็ไม่ถูกกับโลกถ้ายาอันไหนไม่ไม่ผูกก็ถูกอะถูกคับโลกเอาปาครับปามันต้องเอานี่อะเอาประเก็นวางนี่เลยเพราะป่าเอกกระดาบนี่อป่า โกตโมและโกนิกว่านะเดี๋ยวให้พอนะทีนี้นะได่อะไรหรือยางเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งได้อะไรหรือยังขึ้นเกิดใส่องมั้ยมีองไหม ให้พรไหมให้พรเนาะต้องไปต้องให้พรเนาะให้พรญาติาวิวาห์ราบริโรกครั้ง เทนะเปตารังอุปการปติปิฏฐังปิตตังตูมังคีวะเมวัตมิชโตโสภูรินตสกปะยำโตมณริโขยะทามิโชทีระโทยะตาโสภีตโยยวัชันโตสะปุโกสะโยสปโรภวินัสสตุมาเตปวัตตันตระโยตุติาโยโภภอภิวานสีนิจจานิจังอุทาปชาโยจัตตารสธรมาวัจจันติอายุโนสุขังปะรังสัพพุทธะนุปาวีละสัพะตมานุปาวีละสัพะสังการุปาวนะ กุตราตระนังตระระตระนังสระระตรนังจินังตระนังอะลพาวินะจตุลัสีติการธรรมะกัดังอะลพาวนะพิจตติยาอะลพาวินะจินัสาวกอะลพาวนะสเพเตโรกาสเพเทปยาสเพเทอันตรายาสเพเทอปตะวาสเพเทตุนิมิตตาสเพเตอมังคะวินัสสันตุอายุวัตโตกาธนวัตโกตกาสิริวัตโกตกายศวัตโกตกาพระวัตโกตกาวันวัตโตกา สุขวตตกาหตสปทตปโคลยาวราสาสตุตุานีการตยอีมนัสสันตุเติชสาชาสิทธิ์ทัังราฟังโสติติยังตังตังสิิอายุจวนูจปังมุติจิยสวาตตะวัสาจะอายุจชีวสิิวนตเตจตุปงค์นนุตตะเวตา สรพุทธานุภาเวนะสัจจะสภวันตุเตภวัตถะัคาปิวตาสัพธรรมานุภาเวนะสัาสุีปวันตุเตวัตถะัคปรวตาสสร้างคารุภาเวนะสัจจสุีปิภวันตุเตอยู่ทุกวันไม่มีประมาณนั่นเถอะพุทโธธโมสะโผนิปตานัง พุทธมีศาสนาพุทธแทบแทงอยู่ในโลกถ้าไม่มีพุทธศาสานาแทบแฟงอยู่ในโลกก็ได้ยินแต่เสียงสาบแชงเสียงสาบแช่งเสียงอายุวันโนสุขังพลังของพระคือเสียงสวัสดีที่นี่พวกค้าโลกทั้งหลาย สวัสดีคุณป้าสวัสดีคุณลุงคุณหน้าคุณอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเอาออกไปจากไหนก็ออกไปจากอายุวัณโรคขังพลังของพระนั่นเองถ้าว่าไม่มีอายุวโนสุคขังพลังของพระแชรแชงอยู่ในโลกนี้ก็เสียงระเบิด<ม>เสียงเสียงปืนจะเป็นเสียงพุทโธจะเป็นเสียงธรรมโมจะเป็นเสียงสังโฆ เป็นเสียงอายุวโนวทุกครั้งพลังเสียงสาบเสียงแช่ ง, งนี่น้าร่างหน้าของเราก็คือน้าเลือดดีๆนี่เองพราะฝังกันไม่ทันแล้วกินของโลกก็คือกินเหม็นเราดีนี่เองพราะฝังแล้วเผากันไม่ทันตายกันทุกอยู่ทุกหย่อนย่าอหน้าก็จะดื่มไม่ได้กินของโลกเหม็นพรฝังกันไม่ทันเผากันไม่ทันนะ นี่มีพระพุทธศาสนาแทรกแทรงอรู่ในโลกจึงมีศาสนาอื่นๆมาประชันันแข่งกันว่าถ้าว่ามีพระพุทธศาสนาเนี้ยก็ลาบากเหมือนกันทําเป็นโรคปมาทครึงคลองโรคสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปท่านั้นจะคุึงคลองลงได้ถ้าไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปแล้วก้นหมายกดหมูกพักพก้พวกรก็กตั้งมาอยู่ อู๋ของทำไม่นำคำหนึง่งก็มดที่พึ่งพิงอิง อ, อาศัยพวกชาวไทยจงรีบเร่งเปลงพุทธชาติศาสนาจะไม่หลุดตกไปเป็นอืน่นสุขลับรื่นทั้งรัฐราชาทั้งไปชาชนและราชาถ้าไม่ละอาต่ตบบาบไม่กลัวตบบาบแล้ว เดินตามหลังกันก็ไม่ไหวใจต่างคนต่างถือปืนก็ไม่ไหวใจเดี๋ยวก็ยิงเล่นปืนผมนั่นใส่ครับผมไม่มีเก็บแต่นะ่ะนอนอยู่ด้วยกันก็ไม่ไหวใจเดี๋ยวมาละคขับข่านคอข่านคอตายหาว่านอนฝันตายเนี่ย <c oughs> ไม่มีความรายต่อบ่าว ความน่าอายจา่ำบวามกลัวต่ำบาปเท่านั้นจะปกป้องโลกอยู่เพราะบามากกรมศาสละสอนไว้แล้วทำเป็นโรค ก, กระบาลไม่ใช่ลูกระเบิดปรมาณูจะปกคองโลกก็มีแต่เวรกระเวรภัยกระภานั้นล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหนังสือมาให้คนนั้นเล่มเว้ยตัวนิ้นดนังสืบนิ้นิ ด, ดอกอุตสาอ่านทีวีบ้านต้างใครโอ้นอเนี่ย พี่น้องมันจากกรุงเทพเนอมีเนอพี่น้องมันจากกรุงเทพมันจากไกลเนี่ย